อีกสูตรหนึ่งที่เป็นโลกุตระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ที่เป็นโลกุต ร, ต ร, ระเรหลา่านี้มีหประการอินทรีย์ที่เป็นโลกุต ร, หระรตรห้าประการเป็นฉไหนคือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินินทรีย์สมาทินทรีย์และปัญญทรีย์อินทรีย์ที่เป็นโลกุตระห้าประการเหล่านี้แหละอันนี้ก็คือโลกุตระธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ ธรรมที่เป็นโลกุตระธรรมที่ไม่นับเนื่องกับโลกเป็นธรรมที่ออกจากโลกเนี่ยนะศรัทธาก็เป็นธรรมที่ออกจากโลกวิริยะสติสมาธิปัญญาที่สัมประยุทธ์กันที่เกิดร่วมกันที่ทมกิจพร้อมกันคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่นำออกจากโลกเนี่ยนะเรื่อินรีห้าเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นับเป็นธรรมที่นาออกจากโลก ถ้าหากว่าเป็นพระสูตรที่เป็นเนื้อหาเนื้อหาเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระมีอะไรบ้างก็บอกว่าเนื้อหาที่เป็นโลกิยาเนี่ยนะก็คือบุคคลได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพึงทำกิจสองอย่างานะคือแยกกิจที่ควรทำและไม่ควรทำคาว่าพึงอ่าคำว่า พึงทํากุศลอ่าพึงทําบุญกุศลซึ่งเป็นกิจที่ดีและบุคคลผู้มีบุญกระทําบุญแล้วจากคาาติจากสุขคติหนึ่งไปปฏิสนธิอีกในสุขคติหนึ่งอันนี้ก็เป็นโลกิยะเนี่ยนะเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะก็ควรทํากิจสองอย่างใช่ไหมควรทำแนละไม่ควรทําไอ้ไม่ทํานี่ก็เรียกว่าทํำเหมือนกันนะเอาไม่ทําชัว่วไงก็ไปเท่ากับเป็นการทําบุญ มันควรทําบุญบุญนี่เป็นเครื่องชําระขันทสันดานบุญนี่เป็นเครื่องยังวิบากที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะบุญเป็นเครื่องยังวิบากที่น่าปรารถนาน่าต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นโลกิยะเพราะกล่าวถึงว่าผลของบุญก็นํามาซึ่งปฏิสนธิปฏิสนธิก็ยังคืออะไรคือปฏิสนธิคืออะไร ก็คือสิ่งที่เป็นโลกิยะอยู่ดีขึ้นชื่อว่าปฏิสนธิขึ้นชื่อว่าการเกิดการเกิดก็เป็นสิ่งที่นับเนื่องกับโลกนับเนื่องกับโลกิยะธรรมทั้งหลายนั่นนะตัวโลกุตระสูตรละอีกอย่างหนึ่งพึงละสังโยชนะที่สำคัญก็คือการละสังโยชนบุคคลผู้ละสังโยดได้แล้วก็พ้นจากชราและมรณะ ก็คือคนที่ละเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดได้สำเร็จแล้วก็พ้นไปจากชาติชาาและมรณะพ้นจากความเกิดความแก่และความตายเนี่ยนะก็เหมือนอะไรนะเหมือนกับอย่างว่าบุคคลผู้ไม่ถูกโซ่ตรวนล่ามเอาไว้ในวัตตะคนที่ไม่ถูกล่ามเอาไว้ในวัตตะเขาก็พ้นจากการเกิดในวัตตเมื่อพ้นจากวัตตก็พ้นจากชาติชาาและมรณะนั่นเอง อีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อวิญญาณอาหารเมื่อมีวิญญาณอาหารการหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีวิญญาณอาหารก็คืออะไรปฏิสนธิวิญญาณถ้ามีปฏิสนธิวิญญาณการหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีเมื่อมีการหยั่งลงแห่งนามรูปพบใหม่จึงมีเมื่อมีพบใหม่ชาติจึงมีเมื่อมีชาติ ชรามรณาโศกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปา ย, ยา จ, จึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ <c oughs> ก็คิดดูนะ ถ, ถ้าปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้น น, นะวิบากกับกรรมมชรปก็สืบเนื่องและเกิดขึ้นเมื่อวิบากกรรมมชรเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเขาอันนี้แนหะเขาเรียกว่าพบใหม่ เขาเรียกว่าการปฏิสนธิในพบใหม่เมื่อมีพบใหม่ก็มีชาติการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเรียกว่าชาติสิ่งเหล่านี้ดําเนินสืบเนื่องกันไปเรียกว่าชราการแตกทาลายของสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามรณะชาติชรามรณะเหล่านี้เป็นอาหารของอะไรโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาต์ก็เพราะมีมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละจึงมี โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตจะมีมาแต่ไหนเพราะความไม่สบายใจเนี่ยนะอย่างสมมติถ้เราไม่สบายใจหรือเราโทมนัสเราขับแค้นเราลำบากใจเราอึดอัดเนี่ยนะสาเหตุตรงๆเลยจริงๆเนี่ยก็เกิดจากชาติชรามรณะถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเสียใจไหม ถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะบ่นไหมจะบน่นจะเพ้อจะคล่ํา จ, จะครวนจะโหยหาอะไรไหมถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยนะจะเศร้าใจจะคับแค้นใจจะอึดอัดใจจะเครียดจะหงุดหงิดจะรําคาญจะเรียกว่ากวนก歪ไหมก็ไม่มีแต่เนื่องจากมีชาติชาราและมรณะแต่อสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากวิญญาณอาหารนี่แหละมันหยางลงนะวิญญาณอาหารหยางลงนามรูปก็ มีขึ้นเมื่อมีนามรูปก็เลยมีพบใหม่เมื่อมีพบใหม่ก็ไล่ไปสู่ชาติชรา ม, มอรณะเนี่ยนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ น, นะการเกิดขึ้นแห่งกองทุกจึงมีด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายกว้างออกไป รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณนี้ชันใดอุปมายก็ชันนั้นเนี่ยนะต้นไม้ที่ที่เพาะปลูกในในป่าที่อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นเนี่ยนะไม่ไงถ้ารากอย่างลงแผ่ขยายออกเป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้ารากอย่างลงและแผ่ขยายเป็นอย่างดี การดูดอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงข้างบนต้นไม้เหล่านั้นก็เจริญเติบโตเมื่อต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นต้นไม้ก็ขยายพันแผรกิ่งก้านสาขาขวขยายพัน์สืบเนื่องไปอย่างเรื่อยฉันใดเมื่อวิ ญ, ญญาณอาหารอย่างลงก็ฉันนั้นถ้าวิ ญ, ญญาณอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลง พใหม่จึงมีเมื่อพบใหม่มีจึงมีชาติเมื่อมีชาติชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปายาตก็จึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกครั้งสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ข้อความทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของโลกิยะสูตรสูตรที่ว่าด้วยอะไรโลกิยะความเกี่ยวเนื่องในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปไว่าอีกว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อวิญญาณอาหารไม่มีนะถ้าปฏิสนธิวิญญาณไม่มี่นะการหยั่งลงแห่งนามรูปก็ไม่มีถ้าปฏิสนธิไม่เป็นงอกหมายว่าถ้าเมล็ดพืชไม่ไปงอกณที่ใดที่หนึ่งนี่ยนะไอการที่จะรวบรวมดินน้ํารวบรวมปุ๋ยให้เพาะขึ้นจะมีไหมบอกไม่มีเมื่อไม่มีการหยั่งลงแห่งนามรูปพบใหม่ก็ไม่มีเมื่อไม่มีพบใหม่ชาติก็ไม่มีเมื่อไม่มีชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ก็ดับความดับแห่งกองทุกขั้งสิ้นก็มีด้วยอาการอย่างนี้เพราะถ้าไม่มีปฏิสนธิอย่างเดียวถ้าปฏิสนธิไม่เรียกว่าถ้าปฏิสนธิวิญญาณไม่อย่างลงในคันแห่งมารดานามรูปจะเกิดได้ไหมเมื่อนามรูปไม่เกิดความเจริญงอกเงยแห่งอายตนะทั้งหลายจะมีได้ไหม เมื่อไม่มีความเจริญงอกเงยแห่งอายตนะทั้งหลายชาติชรามรณะเป็นต้นจักมีต่อไปได้ไหมก็มีต่อไปไม่ได้ทอนสรุปว่าความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ซึ่งในเวลานั้นบุรุษนั้นถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดที่โคนต้นแล้วก็ขุดรากลงไป ขั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากทั้งหลายขึ้นมาถอนแม้กระทั่งรากที่มีขนาดาเท่าก้านแฝกะขนาดก็รากเท่าเล็บเท่าเท่านิ้วเนี่ยถอนออกมาหมดบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเอามาสับสับสเลยนะขั้นตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วก็เผาเอาแล้วก็ผ่าขั้นผ่าแล้วก็ทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ผึ่งลมตากแดดให้แห้ง พอพึงลมตากแดดแห้งเสร็จแล้วก็เอาไฟไฟเผาเอาไฟเผาเสร็จแล้วก็ทําให้เป็นข่ามอาก็แปลว่าเป็นขี้เท่าคระนั้นก็เอาขี้เท่าหรือขเามานะั่นอ่ะจริงๆอ่ะต้องเป็นขี้เท่านะั้นไม่ใช่ขเหมเถ้าข่ามก็ฝุ่นละอองเฉยๆข่ามเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าดําภาษาเขมรข่ามเนี่ยแปลว่าดําๆนะก็คือเป็นผลที่ฝุ่นที่มันลอยละอองขึ้นมาแต่นี่หมายถึงขี้เท่าก็เหลือแต่ขี้เท่า ก็กลายเป็นกองที่เท่าเอากองที่เท่าไปโปรยลงหรือลอยในกระแสะแม่น้าเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกตัดรากถอนโคลนนั้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนโคนตาลโคนตาลแปลว่าตาลอดด้วนหมายว่าตอตาลเนี่ยนะกลายเป็นต่อตาลที่ใดเป็นตอตาล ต่อตาแลแปลว่ามันไม่งอกไม่เงยต่อตาลต่อมะพร้าวเหมือนกันมันไม่มีงอกเงยอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นชามทำชีวิตให้เหมือนกับต่อตาลฉั้นชีวิตของพ า, ารหันก็คือต่อตาลหรือว่าต่อตาลที่ถูกตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะไม่มีคำว่า ง, งอกเงยไม่มีการพอกขึ้นอีกต่อไป ถูกกระทําให้ไม่เกิดขึ้นอีกจึงมีสภาพไม่เกิดอีกต่อไปอุปมาณนี้ฉันใดอุปไม้นี้ก็ฉันนั้นเมื่อวิญญาณนาหะเมื่อไม่มีวิญญาณอาหารการอย่างลงแห่งนามโรคก็ไม่มีเมื่อไม่มีการอย่างลงแห่งนามโรคพบใหม่ก็ไม่มีเมื่อพบใหม่ไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่อชาติไม่มีชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตก็ดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ข้อความอันนี้เป็นโลกุตระสูตรอั น, นพระสูตรที่ที่เรียกว่าถ้าสำนวนอัจฉริยท่านบอกว่าโลกิยะสูตรก็คือวตัตต์ก็คือวัตต์ก็คือกล่าวทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะถ้าเป็นโลกุตระสูตรก็กล่าวถึงวิวัตะกล่าวถึงนิโรสัรจจะกับมรรสัจจะปฏิสนที่วิญญาณไม่หยางลงนเพราะอะไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตะมานพปัญหา อ, อชิตะมานพในอชิตะมานวกะปัญหากล่าวถึงว่านามรูปทั้งหมดเนี่ยจะดับลงเพราะการดับแห่งวิญญาณหมายคือว่าดับแห่งวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยดับได้อย่างไรก็บอกว่าต้องดับอภิสังขารวิญญาณก่อนแล้วจึงจะดับวิปากับวิญญาณ ดับอภิสังขาระกะัวิญญาณอภิสังขาระะวิญญาณก็คือเช่นโซดาปฏิมาศดับอภิสังขาระกะัวิญญาณอะไรบ้างก็ดับทิฏฐิขาตาะสัมปยุตสี่ดวงดับอุทธธะจะสัมปยุตอีกหนึ่งดวงรวมเป็นห้าดวงแล้วก็ละปฏิสนธิละอภิสังขาระกะัวิญญาณที่นำปฏิสนธิในอบายทั้งหมดแต่แล้วก็ถ้าดับเหตุอย่างนี้ไอตัวปฏิสนธิในอบายก็ดับแล้วก็ดับปฏิสนธิใน พบที่เจ็ดเป็นต้นวันถ้าอภิสังขารกะวิญญาณดับนามรูปที่เกิดเกี่ยวข้องสืบเนื่องจากอภิสังขารกะวิญญาณก็ดับถ้าดับปฏิสนธิวิญญาณนามรูปที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปฏิสนธิวิญญาณก็ดับเพราะการดับด้วยโสดาปฏิมรักดับด้วยสกทาคามีมรักดับด้วยอนาคามิมรักแล้วก็ดับด้วยอรหัตตมรักการไม่มีปฏิสนธิวิญญาณนั้นดับด้วยอริยมรักทั้งหลายนั่นเองสูตรนี้เป็น โลกุตระสูตรเนี่ยนะมันได้ไปสามสูตร น, นะก็เรียกว่าเป็นติกะนะติกะนะโลกิยะโลกุตระแล้วก็คละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระบางแห่งเนี่ยนะถ้าถ้าคนที่อ่านโดยเฉพาะอังคุตระนิกายนี่เห็นชัดบางสูตรกล่าวแต่วัตตะอย่างเดียวบางสูตรกล่าววิวัตตะอย่างเดียวบางสูตรกล่าวทั้งวัตตะและวิวัตตะ สูดใดที่วัตตะอย่างเดียวสูตรนั้นเป็นโลกิยะสูดใดวิวัตะอย่างเดียวเป็นโลกุตระสูตรใดที่คละกันทั้งวัตตะและวิวั ต, ตะเป็นโลกิยะและโลกุตระจะเห็นบ่อยในปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมสมุทยะวาระนั่นแหละเป็นโลกิยะสวนนิโรธวาระอันนั้นเป็นโลกุตระก็เป็นพระสูตรที่กล่าวทั้งโลกิยะและโลกุตระ การที่อ่านพระสูตรแล้วเห็นแยกออกว่านี้เป็นโลกิยะนี้เป็นโลกุตระข้างบนเป็นโลกิยะข้างล่างเป็นโลกุตระตอนต้นขึ้นต้นด้วยโลกิยะตอนท้ายจบลงด้วยโลกุตระเราก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของท่า น, นคนที่เขาฟังบรรลุก็คือบรรลุอะไรก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ท, ที่เกิดจากการฟังธรรมนัม้นเขาฟังธรรมเขาก็เห็นอริยสัจนั่นแหลนี่ชุดที่สามเอ่อเข้าไปติกะต่อไปนี่แหละ สัตตาทิฏฐานธรรมมาทิฏฐานและก็สัตตะธรรมมาทิฏฐานเนี่ยนะสัตตาทิฏฐานก็คือพระสูตรที่มีสัตตาที่เป็นสัตตาทิฐานหรือปุคลาทิฏฐานอธิฐานนี่ก็คือการตั้งนะหรือที่ตั้งที่ตั้งการแสดงตั้งโดยยกสัตเป็นเป็นที่ตั้งหรือยกบุคคลเป็นที่ตั้งเช่นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่า บุคคลตรวจดูทั่วทุกทิศด้วยใจก็ไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลยค่ ด, ดูเธอแกบอกว่าตรวจดูทิศทั้งสิบทิศเนี่ยนะทิศ ต, ตะวันออกทิศไปให้มันโน้นสุดๆเลยนะมีใครรักท่าหน้ารักเท่าเราไหมไม่มีหรอกทิศข้างหลังของเราก็เหมือนกันถอยไปเธอเราน่ารักที่สุด นะทิศข้างซ้ายข้างขวาทิศเฉียงเฉียงแปดทิศทิศบนทิศล่างอุ้ยไล่ไปถึงพรหมโลกเราก็ลังรักเรามากอารักพรหมอีกว่างั้นนะสรุปว่าโลกนี้จะค้นคิดไปเถอะทุกทิศเรารักเราที่สุดเราสงสารเราที่สุดเราจะดีใจกับตัวเองที่สุดพันเราเป็นผู้ที่รักตัวสัตว์อื่นเขาก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับเรา น, นั่นแหละสัตว์เราอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนจึงไม่ควร เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอาจยาด้วยสาตราด้วยอาวุธเป็นตน้นเนี่ยนะจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะอะไรเพราะผู้ใดปรารถนาสุขแก่ตนแต่ยังทุกขให้เกิดแก่ผู้อื่นเขาย่อมประสบทุกข์ น, นะโลกนี้มันแปลกว่ามันสะท้อนอะไรออกไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวหมดสะท้อนบาปออกไปบาปก็ย้อนเข้ามาหาตัวสะท้อนบุญออกไปบุญก็ย้อน กลับมาหาตัวย้อนสะท้อนความดีออกไปความดีก็ย้อนกลับมาหาตัวสะท้อนบาปออกไปบาปก็ย้อนกลับมาหาตัวถามว่าบุญบาปเนี่ยนะบุญบาปที่ย้อนกลับมาหาตัวเนี่ยมาจากไหนมาจากคนอื่นทําให้หรือเกิดจากสิ่งที่เราทําหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าบุญเนี่ยคนอื่นมาเสกให้เราบาปก็คนอื่นทําให้เรา บุญบาปเนี่ยคนอื่นเขาโยนมาให้เราถ้าเราไม่ทำบาปเอาไว้เนี่ยนะคนอื่นเขาไม่ทาอะไรเราได้หรอกถ้าเราไม่ทำบุญไว้คนอื่นเขาไม่ยกย่องอะไรเราหรอกแต่เนื่องจากผลบุญผลบาปนั่นแหละทำให้เราา น, นะได้รับวิบากที่ไม่ดีแล้วก็ได้รับวิบากที่ที่ดีเนี่ยนะอันสรุปว่าบุญบาปมาจากไหน ก็มาจากสิ่งที่เราทำทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราหมดแต่ว่าถ้าแล้วบุญบาปมันสะท้อนกลับมาหาทำทันทีให้ผลทันทีเลยใช่ไหมถ้าทำทันทีจิตตชรูปเกิดทันทีอันนี้ใช่จิตเจตสิกเกิดขึ้นในขณะนั้นทันทีแต่บุญบาปที่เราทำก็ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บในปั๊บไม่ใช่ใช่ไหมเวลาที่ทาบุญเนี่ยนะก็เหมือนกับชาวนาที่ไปเพาะไปปลูกปลูก ผลไม้เป็นต้นเนี่ยปลูกเงาะปลูกทุเรียนก็ไม่ใช่เพราะวันเดียวแล้วจะได้ลูกวันเดียวทีนี้เรากําลังปลูกผลไม้อยู่แล้วยุงมากัดแมลงมากวนเราบอกแหมปลูกทุเรียนไม่ดีเลยดูสิไม่เห็นออกมาลูกเป็นทุเรียนเลยมีแต่ยุงกัดมีแต่แมลงกวนไอ้ทุเรียนนี่ไม่ดีเร็วมากเพราะไม่เห็นออกลูกเป็นทุเรียนเลยนี่ออกลูกเป็นยุงกัดแมลงกวนถ้าคิดอย่างนี้ถูกไหมอา้าวทาไมอ่ะ ก็คือคนที่แยกเหตุแยกผลแยกแยกเรียกว่าแยกไม่เป็นว่าขณะไหนคือตัวบุญขณะไหนที่เป็นผลบุญขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นวิบากขณะไหนเป็นกิเลสขณะไหนเป็นผลบุญขณะไหนที่เป็นผลบาปถ้าแยกไม่ออกอะไรเกิดขึ้นถ้าแยกไม่ออกก็ถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระสำคัญว่าเป็นสาระเข้านะนะ พระสูตรที่กล่าวถึงตัวเองคําว่าตนคําว่าคนอื่นคําว่าเราคําว่าเขาคําว่าพ่อแม่พี่น้องเป็นต้นนีให้รู้ทว่าสูตรเหล่านี้เป็นเป็นอะไรสัตตาทิฏฐานก็กล่าวถึงสัตว์อันนี้เป็นโวหารกถาโวหารกถาเป็นคําพูดที่เอาไว้สื่อกันเป็นภาษานะแม้แต่คําว่าสัตว์เนี่ยภาษาอื่นเขาอาจจะไม่เรียกสัตว์ก็ได้สัตตานี่เป็นภาษาอะไรภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาไทยล่ะ เรีว่าตัวแหละอา้าวอะไรนะถ้าเป็นสัตว์บางอย่างก็เรียกว่าเป็นตัวใช่ไหมมีพึ่งอยู่สองตัวอย่างเงี้ยไงก็ไม่เรียกว่าเป็นสตัตว์ในเรียกว่าเป็นตัวนะก็คือคุณสุดแท้แต่ภาษาของสมัยนั้นๆเนี่ยนะของภาษาชาวนั้นๆแต่อย่างของบาลีเนี่ยนะเขบอกว่ามีสี่อมีคนสี่มีวัวแปดมีช้างแปดมีม้าเก้าเป็นต้นเขาจะไม่มีว่าไอ้ศัพท์ห้อยท้ายนี่คืออะไร บาลีจะไม่มีแต่ภาษาไทยเราจะมีเช่นมีคนห้คนมีช่างสิบเชือกมีวัวสิบตัวเป็นต้นเนี่ยภาษาภาษาบาลีเนี่ยนะเออภาษาไทยจะมีแต่ภาษาภาษาบาลีไม่มีไม่มีก็จะมีแต่ว่าอย่างเช่นจิตก็ไม่เรียกเป็นดวงนะอ่าโมาาสมณัสสะหะตัง ส, สังขาริเมกังะนะโมนาาสมณัสสะหะตังทิฏิกตะสัมปยุตตังอสังขาริเมกังเพราะนั้น จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ประกอบด้วยโสมนัสไม่มีการชักชวนประกอบด้วยทิฏฐิหนึ่งใช้คําว่าหนึ่งเฉยเฉจะไม่ต่อด้วยว่าหนึ่งดวงหนึ่งขณนะหนึ่งอะไรจะไม่มีมีแต่คำว่า1นึ่เฉยเฉย น, นะก็ปัญ ก, ก็เราต้องแยกให้ออกว่าพื้นฐานของภาษาอันนี้เป็นอย่างไรนี่ก็เหมือนการคำว่าสัตว์เนี่ยนะก็คือเป็นเป็นคำพูดที่เป็นโวหารกรทาที่เอาไว้สื่อกันเนี่ยนะเอาไว้เอาไว้สืบทอดกันเอาไว้สื่อกันเฉยเฉ แต่คนที่เนี้ยไปสําคัญว่าเป็นจริงเข้าก็มีแต่ว่าให้รู้ว่าคําว่าที่เป็นโวหารเนี่ยเอาไว้พูดคุยกันเอาไว้สื่อกันเช่นคําว่าตัวเราเขาเราเขาเนี่ยเป็นภาษาที่เอาไว้สื่อกันแต่ก็มีคนที่ศึกษาเข้าใจก็อะไรนะแห ม, ม่อยากจะใช้คําว่าเราคําว่าเขาเลยเนี่ยนะมีเรามีเขาด้วยหรื อ, อะรนะก็เป็นที่มาของการอะไรทะเลาะกั น, นสิเนี่ยนะ ทะเลาะกันเอามีเรามีเขาด้วยหรือก็ปฏิเสธคําว่าเรากับปฏิเสธคําว่าเขาเพราะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตนนี่เมื่อตนไม่มีก็ปฏิเสธว่าตนไม่มีเมื่อไม่มีตนเข้าก็เป็นที่มาของของอะไรก็ความเห็นไม่เหมือนกันแล้วเมื่อความเห็นไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยแปลกนะถ้าความเห็นไม่เหมือนกันไม่มีเมตตาต่อกันถือว่าคนละาตไปเรียบร้อยแล้วแกว่าแยกธาตไปเรียบร้อยแล้ว อีกสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดแล้วหรือจะเกิดต่อไปก็ตามสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจะต้องทิ้งละเออจะต้องละทิ้งร่างกายไปคนฉลาดผู้เออคนฉลาดรู้ความเสื่อมไปของสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นควรเป็นผู้ประกอบความเพียรควรประพฤติพรหมจรรย์ เขาบอกว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงว่าขันห้าที่เกิดขึ้นมาในโลกขันห้าเนี่เป็นที่ตั้งแห่งโวหารกระถาว่าเป็นเป็นอะไรขันห้าขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโวหารกระถาว่าเป็นสัตว์เพราะนั้นสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็คืออุปาขันห้าวิบากกรรมมาชโลภที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะแต่ว่าแห่งโวหารว่าเรียกว่าเป็นสัตว์สัตว์ที่เกิดมาแล้วหมายความว่าเกิดมาแล้วทํากิจเสร็จแล้ว คราั้นคำว่าผู้ที่เกิดมาแล้วเป็นชื่อของพระอรหันต์หรือที่จะเกิดต่อไปก็ตามก็คือผู้ที่จุติเสร็จแล้วปฏิสนธิอีกแน่อันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่พระอรหรันต์พระอรหันต์ชื่อว่าผู้เกิดเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีการเกิดอีกต่อไปก็เรียกว่าเกิดเสร็จแล้วส่วนผู้ที่จะเกิดต่อไปล่ะก็คือคนที่ไม่ใช่พระอรหรันต์ สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจะต้องทิ้งละจะต้องละทิ้งร่างกายสรุปว่าจะใครก็ช่างปุตุชนหรือพระอริยะคนเหล่านั้นตายหมดแน่เพราะอะไรเพราะเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเนี่ยนะเกิดแค่ไหนก็ตายแค่นั้นใครก็ตามที่รู้ว่าเมื่อสัตว์มาเลยสัตว์ที่เกิดมาแล้วตายหมดแน่ควรเป็นผู้ประกอบความเพียรควรเป็นผู้ที่เจริญ อะไรมัง่งสัมมาประธานสี่ควรที่จะเจริญสังวรประทานประหานประทา น, า น, ทานภาวนาประทานและก็อนุรักษณาประทานควรประพฤติพรหมจรรย์โดยเฉพาะมรรคมจรรย์ควรประพฤติศีลสมาธิและปัญญาเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเราก็ตายอยู่แล้วชีวิตหมายคาอว่าอีกไม่นานก็จะตายกันเนี่ยนะคือคือมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องสูญเสียแน่นอนคือชีวิต ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องสูญเสียแน่นอนจะเอาอะไรมาผลัดมาประกันจะทำอะไรก็ช่างเถอะเพื่อจะไม่ให้มันเกิดการสูญเสียชีวิตไม่มีไม่มีใครทำได้เมื่อไม่ทำไม่ได้อย่างนี้เข้าละอะไรล่ะรู้อยู่แล้วะนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเอกไม่นานก็ตายถามว่าชีวิตจากนี้ไปตายเราควรทำอะไรพระพุทธเจ้าแนะเลยบอกว่าควรประกอบความเพียรเพียรละบาปแล้วก็เพียร เ, เจริญบุญเถอะ แล้วก็ควรประพฤติพรหมจารย์ควรเจริญไตรสิกขาเสยเธอเนี่ยนะเพราะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องประพฤติคือคือพรหมจารเนี่ยนะเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเราก็เสียดายเวลาชีวิตที่เหลือเพราะเวลาชีวิตที่เหลือเนี่ยเราควรได้อะไรอะไรคือสิ่งที่เราควรได้ที่มันเหลือน้อยเต็มทีอยู่นี่เนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่า สัตตาที่ฐานเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงสัตวสัตว์ผู้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายแล้วก่อนจากตายเนี่ยเราควรได้อะไรจากชีวิตพระองค์ก็บอกตรงๆว่าควรประกอบความเพียรและควรประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความเพียรกับพรหมจรรย์เป็นนิยานิกรรมเป็นธรรมที่นําออกจากวัตทุกข์เป็นธรรมที่นํออานรรนออกจากสังขารทุกเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพี้กสูตรทั้งหลาย กาลยาณมิตรที่ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการบุคคลไม่ควรละทิ้งจนตลอดชีวิตแม้จะคำว่าไม่ควรที่จะห่างเหินกันไปนี่นะแปลว่าอะไรควรอยู่ใกล้แม้ถูกขับไล่ถูกบีบคั้นก็ไม่ควรละทิ้งไม่ควรเหินห่างไม่ควรจากกันไปกาลยาณมิตรเจ็ดประการมีอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจ ไอ้คำว่าเป็นที่รักเนี่ยเราชอบหรือตกลงว่าคนที่เป็นคาว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยคนที่เราชอบใช่หมอัจฉริยท่านอธิบายว่าคนที่มีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตาเป็นขออภัยเป็นคนที่มีศีลสมบัติกับมีทิฏฐิสมบัตินี่นะคำว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจคือเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิอ่ะนะ เรียกว่าบุคคลควรเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจไม่ใช่เราชอบอย่างเดียวนะไม่ใช่ถือว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเป็นหลักแต่หมายถึงคนที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสคือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิต่อไปก็เป็นผู้ที่น่าเคารพน่าเคารพนี้แปลว่าเป็นคนที่เราควรทาให้หนักแน่นทาให้หนักแน่นเนี่ยเหมือนอะไร อัตถกถาท่านบอกว่าควรทําให้หนักแน่นเหมือนกับภูเขาหินหรือเหมือนฉักหินนะนะชักหินที่ควรทําให้หนักแน่นมันคนที่เราควรเคารพก็ลักษณะนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่น่ายกย่องด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นเป็นผู้ที่น่ายกย่องด้วยศีลด้วยความเป็นพหูสูตรด้วยสติด้วยปัญญาเป็นต้นก็มีคุณธรรมควรแก่การยกย่องถ้าเขาพูดก็พูดเป็นธรรมะนะพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมเนี่ยนะนะ ต่อไปเป็นผู้ที่อดทนต่อถ้อยคําขณะเดียวกันคนอื่นก็แนะนําตักเตือนเข้าได้นยนะเป็นผู้ที่พูดถ้อยคําลึกซึง้งอะไรอะไรคือคําพูดที่ลึกซึง้งนัานบอกว่าสัจจะกับปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นแหลพะพันธกะถาคําพูดที่กล่าวถึงขันอายตนะท่าสัจจะอินทรปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าถ้อยคําที่ลึกซึง้งต่อไปอันสุดท้ายคือ ไม่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีไม่ชวนทำอกุศลชวนเจริญแต่กุศลเป็นต้นพันธ์กลยานามิตรที่มีองคุณเจ็ดประการนี้เป็นบุคคลที่เราไม่ควรละทิ้งจนตลอดชีวิตไม่เป็นบุคคลที่เราไม่ควรจะเหินห่างแม้แต่เราจะถูกขับไล่ถูกบีบเค้นคอกเรียกว่าเหมือนกราสม น, น, นว่าถูกเตะออกก็ยังไม่ไม่ยอมจะออกเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาต่อไปว่า มิตรผู้เป็นที่รักเป็ดหน้าเคารพหน้ายกย่องพูดเป็นทำอดทนต่อถ้อยคำพูดถ้อยคำลึกซึ้งไม่ชักนำไปในทางไม่ดีอันบุคคลผู้ต้องการมิตรนะใครที่ต้องการเพื่อนพึงคบคนเช่นนี้แหละตลอดชีวิตเนี่ยนะคบตลอดชีวิตแต่เขาบอกว่าถ้าไม่มีกาลยาณมิตรดังกล่าวเลยในหลายสูตรนะโดยเฉพาะใน โกสัมพีสูตรพระองค์บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีกาลยาณมิตรไม่มีมิตรผู้มีคุณธรรมดังกล่าวควรเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดนอแร็เนีนะเขาบอกว่าเพราะอะไรเพราะคุณเครื่องแห่งความเป็นสหายไม่มีในคนพานถ้าเราคบคนพานเนี่ยนะเชื่อเถอะจุลศีลมัชชีมศีลมหาศีลก็ไม่มีสมถาวิปัสสนาก็ไม่มีปฏิสัมพิทาสีวิชาสามอภิญยาหกวิโมกข์แปดไม่เคยมีจาก คนผ่านเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าไม่มีคุณธรรมคุณเครื่องของความเป็นสหายเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดนอแรดเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาพระสูตรเกี่ยวกับนอแรดมาเรียนบ้างนะนะ่ะนอแรดันก็มีหนอเดียวนะก็คือเป็นคาถาที่กล่าวถึงคุณธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะก็บางสูตรเขาบอกว่า บุตรก็ยังไม่มีสหายจากมีมาแต่ไหนเนี่ยนะ เ, เป็นต้นนะก็น่าคิดเพรา ะ, ะบุคคลอ่ะก็เราว่าบุตรก็ยังไม่มีสหายจากมีมาแต่ไหนบุคคลเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึงเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดหนอแร้เป็นต้นก็เป็นพระสูตรที่น่าเรียนทําให้เรารู้จักพระปเ จ, จกับพรธเจ้าผู้ที่เที่ยวไปด้วยมักแปดผู้ที่เที่ยวไปด้วยโพธิปักขยธรรมไม่ใช่เที่ยวไปคนเดียวก็เด้อเด้อเดาไม่รู้จักใครเป็นคนอนาถากำพร้าไม่ใช่นะแต่หมายถึงไปด้วยโพธิปักจยธรรมเป็นต้นนั่นเอง ผู้ที่การที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่ประกอบไปด้วยองค์8 น, นะ ท, ที่ที่มีคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะเราก็ควรครบกับเขาถามว่าทำไมจึงควรคบเพราะเราครบแล้วก็ดูสิว่าท่านไม่ชักนําไปในทางที่ไม่ดีท่านคอยจัดแจงให้แต่เราเจริญอย่างเดียวแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ความเจริญของเราเนี่ยเร า, เอาอะไรเป็น มาตรฐานเป็นเครื่องวัดเจริญเสื่อมนี่เร า, เอาอะไรเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะพันไม่ใช่ว่าคำว่าเจริญแปลว่าเราทำทุกอย่างตามใจเราได้เรียกว่าเจริญขึ้นไม่ใช่แต่หมายถึงเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายเจริญด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยนะ